คือคนที่เดือดร้อนเรื่องมหาพูดจนถึงกับทาบาปทํากรรมเพราะอหตุแตงมหาพูดแล้วก็ตกอยู่ในภูมิเบื้องล่างที่สุดของมหาพูดอย่างเมื่อก่อนนะอ่านในมหานิเทศหรืออ่านในทา่าสังยุทธ์ทา่าสังยุทธ์เป็นต้นเนี่ยนะหลายๆแห่งท่านเหมือนกับว่ารู้เหตุเกิดความดับอัสาธาอาทีนะวะนิสรณะของมหาพูดทํำไมมันยิ่งใหญ่เหลือเกิน ทำไมหูพระพุทธเจ้านะบอกว่าถ้าเราไม่รู้สิ่งนี้เราจะไม่ปฏิ ญ, ญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าเลยแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เล็กน้อยอในการกําหนดในมหาพูดแต่ไม่ใช่กําหนดรู้ในกายะทวานนะเพราะอะไรเพราะกาหนดมหาพูดนี้กําหนดอะไรทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งภายในและภายนอกทั้งมหาพูดชนิดหยาละเอียดเลอประณิดทั้งที่อยู่ในที่ไกลและอยู่ในที่ใกล้พิจารณามหาพูดทั้งหมด หาโทษของมหาพูดเท่าที่มีอยู่หาโทษกับเพ่งโทษเหมือนกันไหมไม่เหมือนการเจริญนิพพานเนี่ยการเที่ยวหาโทษของมหาพูดเท่าที่มีอยู่นาคณิยะสูตรข้อสองรเจ็สิบหกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับบนเครื่องราชอันราช ด, ด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟของพราหมณ์ ภารทวชโคตรใกล้นิคมของชาวกุรุอันชื่อว่ากัมมาสัทธมะในกุรุรัฐครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังกัมมาสัทธมนิคมครั้นสเสด็จเที่ยวบินทบาทในกัมมาสัทธมนิคมแล้วภายหลังพัด กลับจากบินธบาตเสด็จเข้าไปยังไพรสนแห่งหนึ่งเพื่อประทับพักกลางวันครั้งเสด็จเข้าไปยังไพรสนนั้นแล้วประทับนั่งพักกลางวันณโคนไม้แห่งหนึ่งเครื่องมาคันธิยาปริภาชกข้อสองครั้งนั้นมาคันธิยาปริภาชกเดินเที่ยวไปมาเพื่อแก้เมื่อยข้าไปถึงโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารัตวาชโคศได้เห็นเครื่องลาดอันทำด้วยหญ้า ในโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารทวชชะโครและได้กล่าวกับพราหมณ์ภารทวชชะโครว่าดูก่อนสหายเครื่องราชยาที่ปูวไว้ในโรงบูชาไฟของท่านพารทวชชะนี้เป็นของใครหนอเห็นจะเป็นที่นอนสมควรแก่สมณนะภารัวชชะพราหมณ์กล่าวว่ามีอยู่ท่านมาคันธิยะพระสมณะโคดมสากยบุตร ออกบวชจากศาสตร์ยสกุลเกียรติศัพท์อันงามของท่านพระโคโดมนั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนั้นแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกปรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมที่นอนนี้ปูวไว้สำหรับท่านพระโคดมนั้นมาคันธิยะบริปาชกกล่าวว่าท่านพาราธวชชะพวกเราที่ได้เห็นที่นอนของท่านพระโคดมผู้กำจัดความเจริญนั้นชื่อว่าได้เห็นชั่วแล้วพรวาราธวชพรามกล่าวว่าดูก่อนมาคันธิยะท่านจงรักษาวาจานี้ไว้ดูก่อนท่านมาคันธิยะ ท่านจง ร, รักษาวาจานี้ไว้ความจริงกษัตริย์ที่เป็นบัณฑิตก็ดีพราหมณ์ที่เป็นบัณฑิตก็ดีเคระหบดีที่เป็นบัณฑิตก็ดีสมณะที่เป็นบัณฑิตเป็นอันมากก็ดีพาการเลื่อมใส ย, ยิ่งนับต่อท่านพระโคดมพระองค์นั้นท่านพระโคดมทรงแนะนำในธรรมที่มีเหตุอันบริสุทธิ์ไม่มีโทษมาคันยพระรามกล่าวว่าท่านพาราทวาช ถ้าแม้พวกเราได้พบท่านพระโคดมนั้นต่อหน้าเราก็พึงกล่าวกับท่านพระโคดมต่อหน้าว่าพระโคดมผู้กาจัดความเจริญดังนี้ข้อนั้นพระเหตุอะไรพระเหตุว่าคำเช่นนี้ลงในสูตรของเราทั้งหลายพระรัตวชพรามกล่าวว่าถ้าการที่จะกล่าวนั้นไม่เป็นการหนักแก่ท่านมาคันธิยะ ข้าพเจ้าจับทูลกะพระสมณโคดมพระองค์นั้นมาคันิยาพราหมณ์ก็กล่าวอีกว่าท่านภาราธวาชาจงมีความควนขวายน้อยเถิดเราได้ว่าไว้แล้วก็พึงกล่าวกัะพระองค์เถิดข้อ278พระผู้มีพระพาเจ้าได้ทรงสดับคําสนทนานี้ของพราหมณ์ภาราทวาชโคดกับมาคันธิยาปริพาชกด้วยทิพยโสธาตอันบริสุทธ ล่วงโสดของมนุษย์ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่เร้นเสด็จเข้าไปยังโรงบูชาไฟของพราหมณ์พารทตวชโคตรประทับนั่งบนเครื่องลาดญ่าที่เขาลาดไว้ลําดับนั้นพราหมณ์พารทตวชโคตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงการไปแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับเขา ว, ว่าดูก่อนพาระตวาชะท่านกลับมาคันธิยะปริพาชกป ร, รบถึงเครื่องราชย่านี้ได้เจราจาโตตอบกันอย่างไรบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพราหมภารัตวาชะโลกตกใจเกิดโลมชาติชูชัน ในกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะกราบทูลเรื่องนี้แก่ท่านพระโคดมแต่ท่านพระโคดมตรัสเสก่อนที่ข้าพเจ้ายังไม่ทันกราบทูลก็และเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพราหมณ์พรรารัตวชโคตเจรจากันยังค้างอยู่ในระหว่างนี้ลำดับนั้นมาคันดิยะปริพาชกกำลังเดินเที่ยวไปมาแก้เมื่อยอยู่ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางโรงบูชาไฟของพราหมณ์พารัตวาชโคตแล้วได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสักถามาคันดิยะเรื่องกามคุณข้อสองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกามาคันดิยะปริภาชก ผู้นั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนมาคันทิยะในตามีรูปเป็นที่มายินดีหูมีเสียงเป็นที่มายินดีจมูกมีกลิ่นเป็นที่มายินดีลิ้นมีรสเป็นที่มายินดีกายมีโผฏฐะเป็นที่มายินดีใจมีธรรมารมณ์เป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมอันทาให้บันเทิงแล้ว ใจนั่นตถาคตทรมานแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสํารวมแล้วอันหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อสํารวมใจมัน่นดูก่อนมาคันธิยะคำที่ท่านกล่าวว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้กำจัดความเจริญนั่นท่านหมายเอาความข้อนี้ลาศีนอมาคันธิยะพราหม์กราบทูลว่าท่านพระโคดมก็คำที่ข้าพเจ้ากล่าวว่า พระสมณะโคดมเป็นผู้คำจัดความเจริญนี้ข้าพเจ้าหมายเอาความข้อนี้แหละข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะคำเช่นนี้ลงกันในสูตรของข้าพเจ้าข้อสองแปดสิดูกรมาคันดิยะท่านจดสำคัญความข้อนั้นเป็นเชนไหนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับบําเร่ด้วยรูปทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยในตา ที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสมัยต่อมาเขารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกไปแห่งรูปทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตันหาในรูปบรรเทาวความเล่าร้อนอันเกิดเพราะปารพรูปเป็นผู้ปราศจากความกระหาย มีจิตสงบในภายในอยู่ดูก่อนมาคันธิยะก็ท่านจะพึงว่าอะไรแก่ท่านผู้นี้เล่ามาคันธิยะพราหมณ์ก็กราบทูลว่าท่านพระโคโดมข้าพเจ้าไม่พึงว่าอะไรดูก่อนมาคันธิยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับบัมเรอด้วยเสียงทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหู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 แล้วละตันหาในโพธิพะบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปารบโพธัพะเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่ดูก่อนมาคันธิยะก็ท่านจะพึงว่าอะไรแก่ท่านผู้นี้เล่ามาคันธิยะก็กล่าวทูลว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าไม่พึงว่าอะไรข้อสดูก่อนมาคันธิยะ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 การจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่สัตปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูก่อนมาคันทิยะปราสาสของเรานั้นได้มีถึงสามแห่งคือปราสาสหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนปราสาสหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวปราสาสหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนเหล่านั้นได้รับบำเรอด้วยดนตรี ล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนในปราศาสตเป็นที่อยู่ในฤดูฝนตลอดสี่เดือนไม่ได้ลงภายใต้ปราศาสตรสมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเคลื่องออกไปแห่งการทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตันหาในกามบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะปารบกามเป็นผู้ปราศจากความกระหาย มีจิตสงบในภายในอยู่เหล่านั้นเห็นหมู่สัตว์อื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามมตัญหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปารลบกามเผาอยู่เศกกามอยู่เหล่านั้นย่อมไม่ทะเยอทะยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรายินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกาม เว้นจากอากุสลธรรมอยู่จึงไม่ทะเยอทยานต่อธรรมอันเลวไม่ยินดีในธรรมอันเลวนั้นข้อ282ดูก่อนมาคันทิยะเปรียบเหมือนกฤหบดีหรือบุตรกฤหบดีเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากเ อ, อิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเร็ตนด้วยรูป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 เขาประพฤตกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงเทพบุตรนั้นอัหมูนางอักษรแวดล้อมในนันทวันเ อ, อืบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพมรรเอตนอยู่ในดาวดึงเทวโลก เทพบุตรนั้นได้เห็นเคราะหบดีหรือบุตรเคราะหบดีผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอตนอยู่ดูก่อนมาคันทิยะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉหนเะทพบุตรนั้นอันหมูนางอับสรแวดล้อมอยู่ในนันทวันเอบอบิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์บำเรอตนอยู่จะพึงทะเยอทยานต่อเคราะหบดี ต่อบุตรกระบดีโน้นหรือต่อการมคุณห้าของมนุษย์หรือจะพึงเวียนมาเพราะการมของมนุษย์บ้างหรือหนอมคันธิยะพราหมกรับทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะการมอันเป็นทิพย์น่าใครยิ่งกว่าและประนีตกว่ากามของมนุษย์ดูก่อนมคันธิยะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อยังครองเรือนอยู่ในการก่อน เออบอิ่มเพียรพร้อมด้วยกมามคุณห้ามร์เรอตน BON ด้วยรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยในตาที่สัตว์ประถนา 5, รักใคร้ permit, ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดด้วยเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูด้วยกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกด้วยรสอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นด้วยผลตภะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกาย ที่สัตย์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดสมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องออกไปแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตัณหาในกามได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปารบกามได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยู่เรานั้นเห็นหมูสัตว์อื่นที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัญหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปารบกามเผาอยู่เศกกามอยู่ย่อมไม่ทะเย อ, อทยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรายินดีอยู่ด้วยความยินดีที่เว้นจากกาม เว้นจากอากุศโรธรรมทั้งเป็นความยินดีที่ล่วงเลยความสุขเป็นของทิพ ต, ตั้งอยู่จึงไม่เทยท ธ, ธ, ธยานต่อทำอันเลวไม่ยินดีในทำอันเลวนั้นเลยเปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนโรคเรื้อนขสงร้อยแปดสอยู่ก่อนมาคันธิยะเปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวอันสุขอันกิมิชาติบอลอยู่ เกาปากแผลอยู่ด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่หลุมฐานเพลิงมิตรอมาดญ้าสาโรหิตของเขาพึงตั้งแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดให้รักษาแพทย์ผู้ชนานาญการผ่าตัดนั้นพึงทำยารักษาบุตรนั้นบุตรนั้นอาศัยยาแล้วจึงหายจากโรคเรือนเป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขมีเสรีภาพ มีอำนาจในตนเองจะไปไหนได้ตามความพอใจบุรุษนั้นได้เห็นบุรุษโรคเรื้อนคนอื่นมีตัวเป็นแผลมีตัวสุกอันกิมิชาตบ่อนอยู่ก่าวป่าแผลด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่หลุม่านเพลิงดูก่อนมาคันทิยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนบุรุษนั้นพึงทะเยอทยานต่อบุรุษโรคเรื้อนคนนูน ต่อหลุมฐานเพลิงหรือต่อการเสพยาบ้างหรือหนอไม่อย่างนั้นเลยท่านพระครดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเมื่อยังมีโรคกิดที่ควรทำด้วยยาก็ต้องมีเมื่อไม่มีโรคกิดที่ควรทำด้วยยาก็ไม่ต้องมีดูก่อนมาคันทิยะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อยังครองเรือนอยู่ในการก่อนเ อ, อิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามาคุณห้า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 ถูกการมะตัญหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปารอกามเผาอยู่เศพกามอยู่ย่อมไม่ทะเยอทยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรายินดีอยู่ด้วยความยินดีที่เว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมทั้งเป็นความยินดีที่ล่วงเลยความสุขอันเป็นทิพตั้งอยู่ จึงไม่เถเยตยานต่อทมอันเลวไม่ยินดีในรมอันเลวนั้นเลยดูก่อนมคันธิยะเปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวสุกอันกิมิชาิบ่อนอยู่ก้าวปาแผลด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่หลุมฐานเพลิงมิดอามาตหญ้าสาโรหิตของเขาพึงตั้งแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดให้รักษาแพทย์ผู้ชนานาญการผ่าตัด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 บุรุษนั้นจะต้องดิ้นรนไปอย่างนั้นอย่างนั้นบ้างสิหนอมาคันธิยะกระทูนว่าเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไฟโน้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากดูก่อนมาคันธิยะท่านจะสาคัญความข้อนั้นเป็นไฉไรไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมาก แต่ในบัดนี้เท่านั้นหรือแม้เมื่อก่อนไฟนั้นก็มีสัมผ 5, ัสเป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากมาคันทิจ่ากราบทูลว่าท่านพระโคดมไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความเร่าร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนทั้งในบัดนี้และแม้เมื่อก่อนไฟนั้นก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมาก แต่ว่าบุรุษโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวสุกถูกกิมิชาติบอนเกาปากแผลอยู่ด้วยเล็ดมีอินทรีย์อันโรคกำจัดเสียจแล้วโนนกลับได้ความสำคัญผิดในไฟนี้อันมีสัมผัสเป็นทุกขนั้นแแลว่าเป็นสุขไปดูก่อนมคันธิยะการทั้งหลายก็เชนนั้นเหมือนกันแม้ในอดีตการก็มีสัมผัสเป็นทุกมีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมาก ถึงในอนาคตการกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากแม้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้กามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากสัตว์เหล่านี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามมตัญหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนเกิดขึ้นเพราะมารบกามเผาอยู่ มีอินทรีย์อันโทษกำจัดแล้วกลับได้ความสำคัญผิดในกามอันมีสัมผัสเป็นทุกข์นั้นแหลว่าเป็นสุขไปข้อ2อ5ปดบ้าูก่อนมาคันทิยะเปรียบเหมือนบุรุษรอกเรือนมีตัวเป็นแผลมีตัวสุขอันกิมิชาตบ่อนอยู่ก้าวปากแผลอยู่ด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่หลุม่านเพลิงดูก่อนมาคันทิยะ บุุษโรคเรื้อนคนโน้นมีตัวเป็นแผลมีตัวสุกอันกี่มิชาติบ่อนอยู่เกาปากแผลด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่หลุม่านเพลิงด้วยประการใดๆปากแผลเหล่านั้นของบุุษโรคเรื้อนนั้นเองยิ่งเป็นของไม่สะอาดขึ้นมีกลิ่นเหม็นขึ้นและเน่าขึ้นด้วยประการนั้นๆและจะมีความเป็นของน่ายินดีน่าพอใจสักหน่อยหนึ่ง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 กามตัญหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะกามเผารนอยู่เสพกามอยู่ด้วยประการ ใ, ใดๆกามตัญหาย่อมเจริญแก่สัตว์เหล่านั้นและสัตว์เหล่านั้นก็ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะปรารบกามเผาอยู่ด้วยประการนั้นๆและจะมีความเป็นของน่ายินดีน่าพอใจสักหน่อยหนึ่งก็เพราะอาศัยกามคุณทั้งห้าเท่านั้นขอ้อสอง ดูก่อนมาคันธิยะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนท่านได้เห็นหรือได้ฟังบ้างหรือว่าพระราชาหรือมหาอํามาต์ของพระราชาผู้เอิบอิ่มเพียรพร้อมบําเบิลตนอยู่ด้วยกามคุณหา้ายังละกามตัญหาไม่ได้ยังบรรเทาความเรลาร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบกามไม่ได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยู่แล้วหรือกําลังอยู่หรือจักเป็นอยู่มาคันธิยะทูลว่าข้อนี้ไม่มีเลยท่านพระโคดมดีละมาคันธิยะข้อนี้แม้เราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังมาว่าพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาผู้เอิบอิ่มเพียรพร้อมบําเรอตนอยู่ด้วยกามคุณห้ายังละปัญหาไม่ได้ ยังบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปราบกรามไม่ได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วหรือกำลังอยู่หรือจักอยู่ดูก่อนมาคันทิยะที่แท้สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วหรือกำลังอยู่หรือจักเป็นอยู่ สมณะหรือพรามเหล่านั้นล้วนรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปแห่งการนั่นเทียวตามความเป็นจริงแล้วละกามตัญหามันเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปาราบกรรมแล้วจึงเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วหรือกำลังอยู่หรือจักอยู่ขออ้อ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันใหถึงอมตะธรรมทางมีองค์แปดเป็นทางอันกเกษมเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วมาคันธิยะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ท่านพระโคดมน่าอัศจรรย์นัก ไม่เคยมีมาแล้วเพียงข้อที่ท่านพระโคดมตรัสดีแล้วนี้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแม้ข้าพเจ้าก็ได้ฟังข้อนี้มาต่อปริพาชกทั้งหลายแต่ก่อนผู้เป็นอาจารย์และปาาจารย์ผู้กล่าวกันอยู่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งข้อนี้ก็ย่อมสมกัน ดูก่อนมาคันธิยะก็ข้อที่ท่านได้ฟังมาต่อปริพาชกทั้งหลายก่อนๆผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ผู้กล่าวกันอยู่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้นั้นความไม่มีโรคนั้นเป็นชไหนนิพพานนั้นเป็นชไหนเมื่อพระผู้มีพระพุทธเจ้าตรัสเยาวนี้แล้วได้ทราบว่ามาคันธิยะปริพาชก เอาฝ่ามือรูปตัวของตัวเองกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระโคดมความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้ข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขอะไรๆมิได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเพรียผู้บริโภคกรมเหมือนคนตาบอดข้อ288ลูก่อนมาคันธิยะ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 ไม่มีมนทินสะอาดหนอดังนี้เขาพึงเที่ยวสแสวงหาผ้าขาวผ่องบุรุษคนหนึ่งเอาผ้าเทียมเปื่อนขเมามาลวงบุรุษตาบอดแต่กำเนิดนั้นว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญผ้าของท่านผืนนี้เป็นผ้าขาวผ่องงามไม่มีมนทินสะอาดดังนี้เขารับเอาผ้านั้นไว้หม่มแล้วดีใจเปล่งวาจาแสดงความดีใจว่า ท่านผู้เจริญผ้าขาวผ่องงามไม่มีมลทินสะอาดดูก่อนมาคันธิยะท่านจะสาคัญความข้อนั้นเป็นไฉไบุรุษตาบอดแต่กาเนิดนั้นรู้อยู่เห็นอยู่รับเอาผ้าเทียมอันเปื้อนขำหมาไว้หม่มแล้วดีใจเปล่งวาจาสแสดงความดีใจว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวผ่องงามไม่มีมลทินสะอาดหนอดังนี้ หรือว่าเป่งวาจะแสดงความยินดีด้วยเชื่อต่อบุคคลผู้มีจักษุเล่ามาคณิยะกระทูลว่าท่านพระโคโดมผู้เจริญบุรุษตาบอดแต่กําเนิดนั้นไม่รู้ไม่เห็นเลยรับเอาผ้าเทียมอันเปื้อนขมเหล้าข้าวไว้หม่มเปงวาจะแสดงความดีใจว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวพ่องไม่มีมลทินสะอาดหนอ ด, ดังนี้ ด้วยเชื่อต่อบุคคลผู้มีจักษุเท่านั้นดูก่อนมาคันธิยะปริพาชกอัญญาเิรธีทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่มีจักษุไม่รู้ความไม่มีโรคไม่เห็นนิพพานเออก็เมื่อเปลี่ยนเช่นนั้นยังไม่กล่าวคาถานี้ได้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้ดูก่อนมาคันธิยะ พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้ตรัสพระคาถาไว้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์แปดเป็นทางกเกษมบัดนี้คาถานั้นเป็นคาถาของปุถุชนไปโดยลําดับดูก่อนมาคันธิยะกายนี้แหลเป็นดังโรค